3.13 มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันวงเล็บเปิด2 2มีนาคม2 5ง1หในวงเล็บสองจุดจุดนาที45สหวงเล็บปิดสังเกตไม่ว่าถ้าเรารู้สึกอยู่กับปัจจุบันอดีตอนาคตไม่มีเรามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันไปการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยอยู่อย่างไม่ยึดถืออะไรคือไม่ยึดถือปัจจุบันอดีตอนาคตมันไม่มีโดยตัวของมันเองอยู่แล้วแต่ปัจจุบันซึ่งมีอยู่เนี่ย ก็ไม่มีตัวเราในนี้นะอดีตอนาคตไม่ใช่ของจริงอดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงใช่ไหมแล้วปัจจุบันเนี่ยอยู่กับความไม่ยึดถืออะไรเราเห็นว่ามันไม่มีอะไรดูอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามีเราอยู่หนึ่งขณะจิตในปัจจุบันนะในขณะจิตปัจจุบันเนี่ยมีแต่รูปธรรมและนามธรรมเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแต่ไม่มีเราดูอย่างนี้นะ